ท้าขาวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ้าขาวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะท้าขาวโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ข้าพระเจ้าทั้งหลายสาวไทยเรียกว่าชาวโยนกแต่เก่าเรียกไทยหันสาวไทยหันนี่ได้รับรอยพุทธบาทแต่เจ้าปู่เจ้าตามาสมัยพระพุทธเจ้าเสด็จมาจังหวัดจอมทอง พระเจ้าอาลาวีมีผียักเบียดเบียนกินมนุษย์เมื่อหกบมนคนเรียกว่าอาลาวะกักช์ภาษาเงี้ยวว่ากินหัวภาษาไทยเราเรียกว่าฆ่ากินคนภาษามาคต อาละวาขยักสมัยพระเจ้าอาลาวีนี่สิวัตสาพระศ า, าสด า, าเสด็จมาูกค่าทั้งหลายมัดในสักกุลไทยไทยเหนือชายใต้ตลอดสิงคโปร์ข้าพระเจ้าขอไหว้รอยพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านิพานมา สองพั่รปแล้วพุทธังธรรมังสังฆังข้าพระเจ้าถือพุทธมีพระสงฆ์สมเด็จสกรา์ตลอดมาเถิงคุณตาคุณยายเถึงปัจจุบันนี้อา้าวันทามีสัพพะตาข้ารู้บ่เขา้า นาพระพุ <c ười> Đây, ้ที่เจ้าได้เป็นพระอรหันต์สักคูญานตาเป็นเทพดูเห็นบทมนุษย์ เจ้าวางลักทุธได้พระองค์ส่งเสด็จมาบลบบุรีแม่เจ้ า, านางศรีพระจำเป็นเจ้าเมืองมาเหยียบรอยพุธบาทได้ใสเ่เสื้อพระบาทลบบุรีนี่เป็นรอยที่หนึ่ง ที่สองเมืองตะ ก, กะศีลาสีราส่ร้อยจังหวัดตาอำเภอสามเงาแม่น้ำวังหวงตาไปภาวนาอยู่นั่นหลายวันได้กลับเลยไหวสามพระบาทเขียวแก้ว ด็อกอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รลวตาก็ได้ไปภาวนาอยู่ภาบาทเมืองภาคกฝากน้ำขโขงฝากโน่นส ม, มัยพุทธายอดฝากจุฬาโลกเป็นพระเจ้าแผ่นดินฝรังเศษมีอิทธิพลไส้แกว้วมาลบ ได้ไปต่อสู้กันพวกพอบังฝรั่งเศสสู้อำนาจไทยไม่ได้ส่วนพระบาทเมืองพระโขหายกลายเป็นเชแขกรวบการกเด็นไปแล้วพระพุทธบาทปาเมี่ยงสี่ร้อย หลวงตาเ็็ดไปแล้วพราบาทบบบกจังหวัดอุดอรหลวงตาได้ไปทำความเพียรอยนั้นหลายาภาษาพราบาทเรียงจันโพลฉันพนแทงหลวงตากลับไปพราบาทขอแก้งจังหวัดหนองคายหลวงตากลับไป ถ้าบาทควายเงินจังหวัดเลยอำเภอเชียงคานดวงตาเข้าไปถ้าบาทจอบสีเมืองหลวงพระบางดวงตาเข้าไปถ้าบาทโกสามทีไปอยู่ทั้งสองเดือนนี่ละร้อยฟุทธาบาหมทีอ่อำเภอ ขันประจอนพระบาทเรียิมิตเมื่อขี้ออกนันขี้เหี้ยใส่ผ้าพระมหาอานนเอาผ้าไปตากเรียกพระบาท ต, ตากผ้าเมื่อฉันบูดแล้วนี่และหลักพุทธบาทเป็นมาอย่างนี้หมายให้รู้แต่พระบาทสัากศิลา หลวงตาไปทำความเพียรอยู่ได้ในเม็ดมีพระอริยสององค์เป็นพระโบราณรับปกมีลูกห ม, มังนับลมมาใต้ดาวสองแสงมากเลยกราบถามท่านว่ารอยพุทธบาลรนีเป็นมา่าไร ท่านก็นบอกว่ารอยพระพุทธเจ้าข้าพระเจ้าเป็นพระอรหันต์แต่เปลี่ยนแตลงเป็นพระอนาคาให้เป็นรูปไทยถ้าไม่เปลี่ยนแตงไม่เห็นออกจากโลกุตระมาแล้วมาอาศัยโลกิญะแสดงให้เป็นรูปนิมิตอย่างข้าพระเจ้าเป็นพระ เสื้อของข้าข้ามาหาเสื้อองค์นั่นหลืมสักอันนี้ความจริงของข้าพเจ้าได้เห็นแล้วได้กลัาแล้วอย่าว่าข้าพเจ้ากล่าวอุตลิมุชธรรมผู้ใดว่าก็ว่าเถอะเป็นอาเทศุนธนักนี่ทรมที่อมาข้าพเจ้าไปภาวนาอยู่จะกลาไว เข้านิพพานก็นในเมิสุนออกจากลมแล้วจ็บเป็นอรหันต์ย่าดาวยังอาศัยสวรรค์ทอเป็นลูกอยู่พร้อมเชื้อหกเป็นลูกอยู่ถ้าออกพรอมแล้วเรียกว่นนานิพพานไม่มิเกิดแก่ไม่ตายอย่างดาวครับดาวไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายนี่ละจึงถวายไว้ แกสมเด็จสักกราระคุณตาคุณยายผู้ช่วศาสนาพระอรขันในเมืองไทยของเราเอ้ยฮิเทกุห้าร้อยพระองค์แกนั่งสองพระองค์อุตล ร, รัศยีอัตศ ร, ตรีรัศย์จังวัฒน์เชตรงเมืองฝ้ายาก ยังไม่ชนสวายพระเพิต่อเมื่อท้ามีไตมาจะสวายพระเพิ่นือพระกระชาปะอยู่ที่ผู้เก่งเดี๋นี้เวลานี้พระหลังเชิดเนปาลเปลี่ยนไปเดิมเชเมืองผูเก่งอยู่ในเดปานองนั่นขยัน จังหวัดเชียงตรงนี่ยังมีสามองค์ขอโทษขอากราบขอไหวจะปูจตากรับศรัทธะที่อยู่เบืองทุกเข่งครัข้าพระเจ้าได้ไปกราบไปไหวแล้วแต่ขอโทษ ขอคำแต่ขันก็ได้ไปนะเจ้าคุณปู่จคุณตาสมเด็จทศการาตว่าใจพาไปก็ไม่ใช่เรียกว่าทำไปที่หนึ่งไปปันสินให้ยายเขาผู้บ้านในบนนายดวงคำเข้าไปไหน เวลาท่า น, นกลางวาาันะเทศพ ย, ยูไม่เปิดอยู่มาได้สามปีไปได้โฮมมิมิโบนี้เรียกว่านายแก้วมันนี่ไปเถึงแล้วนั่นละนายแก้วมันนี่ว่าได้ถามมานะนายจะทำยังไงขอโทษ ท่านอาจารย์ถือพุทโธถือครับปมศีรษะว่าพุทโธเจ็ดทีเอาใส่ไขออกนี่ตามตามนิมิตว่าฝันก็ไม่ใส่ก็ฝันก็ไม่ใส่ตั้งพุทโธเจ็ดทีเอาศีรษะใส่ไขออกสุดหนุกตาแต่เข้าไปทางตีนเอาหัวเขาง้าง เลียนมาเึงหัวมาเิงหัวละนอนขวางท่าทิศนี่ละเงาประมาณจะกห้าศอกเตียงสูงประมาณศอกหนึ่งแล้วมีเพชรยางลูกเปยหย่อนลงมาแกหมดไม่มีเบสท่า เอาผ้าห่มเอาตีนเห็นอยู่มือนอนโปกหน้าออกอยู่งามที่สุดเขี้ยวกันแ น, น่นอนได้กราบได้ไห้ขอโทษจนเอาจมูกดมไม่มีหอมไม่ไม่มเหม็นเมื่อเป็นเจ้านักจะกราบสาที ตาพามเทกออกมาออกมาท่าเก่าพอออกแล้วปัตตูเล่นก๊อบชัตุงนอนสินี่จะว่าฝันก็ไม่ใช่ปมืกบสัตุงนอนอยู่ในขันสินี่แหละใครจะว่าข้าพเจ้าเป็นคนบดก็เป็นนาทีต่ว่าข้าพเจ้าคี้บดก็เป็นนาทีนี่ความจริงของ ได้ทำความดีมาอย่างนี้ขอถวายคำอันนี้ไถ่บิณฑิตอันนี้นิณฑยตประเทศจนตายขึ้นไหนโลกมืน่นซากขึ้นไหนโลกถ้าแม้อันนี้สงฆ์เจริญพระโท่ให้ผลเป็นนิชัยพระญผ่านยอมเห็นเอต่างพุทธนาซ่าจันางตีติ ตาอะคาวะโตอาระโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตาอะวะโตอาระโตสัมมา สัมพุทธะนะโมตัสสะขะวะโตอรนะหะโตสัมมาสัมพุทธะพระอาจารย์ตื้ออาจระรรมโมได้บวชมาแต่อายุ21บวัดสาดิดสิบอายุ9ก้าส ปีนี่ละจึงขอาก่าวไว้ถวายแก่สมเด็จเักราชเจ้าท่านเจ้าคุณท่านมหาคุณตาคุณยายผู้ถือศาสนาจงอนุโมทนาสาธารเธอครับ โซลณะมะฮิริยังคุชะเศถษนนนบิตวาปาาธัรมะลายังคุท่เจ้านิบทานไปแล้ว6กร้อยปีเปต็มปัสกามีอุปปสัสอก ป, ปสิกาคู่หนึ่งหัวก็มีสินหา เมื้อก็มิสิน้าได้รับพระไตสนาคมสามแต่เก้าพระไตสนาคมเก้านะโคทังสนางคาชามิตากรรมขวาเป็นพระฟุธเจ้าทํามังคาชามิหูกำขวาเป็นพระธรม ทางขง yes ันคัซซมิจะหมูกำขวาเป็นประสงค์คุณพระเจ้าพ่อทุติยมปีพู้ทาัคัามิตากำไส้เป็นพระพุทธเจ้าทุติยมปีสมังคัซามิหูกำไส้เป็นพระธรรมทุติยมปางขัคัซามิจะหมูกำไส้ยถึงประสงค์คุณพระเจ้าพ่อสาม พระเจแม่สามเป็นฮกพระองค์ยังสามพระองค์ตาจะย้ำปิดพุดทงงางเรจะล้วคานา้ิปากของเราใีละพระพุทธเจ้าตาจะย้ำปิดสมังเซนคาซาเล่นของเราพระธรรมตาจะยปิดเล่นไก่ในไก่ว่าเก้าแต่ร้อมเข้าเรียกสามพทโทงคำโมซักโโห หัวก็มีพุทโธสมรมะสักหัวเนือ้อก็ไมีพุทโธสมรมะสักหัวหัวก็มีเซ็นห้าเนื้อก็มีสซ็นห้าเซ็นห้านี่ละเป็นที่เกิดพระอรหันต์เป็นที่เกิดพระปฏิกระพดเป็นที่เกิดพระพุทธเจ้าเข้าเซ็นห้าเข้าขา เข้าแขนเข้าคอครับเมื่อเป็นคู่แล้วนะพระอรหันต์ลงมาเกิดพาะสยขันภ์คุณตาคุณยายได้เกิดบ้านของคุณตาคุณยายอยู่ใกล้ภาษาไทยลาวเรียกว่าดอกเกต บ้างกว่าดอกเกียงขับผปาในนางอยู่ในท้อของคนใหญ่ซ้ำใบไม่นักอกนักใจท่วนเชินเดียนและขอ้อตอกเป็นวุตรภูษัยเบิดรา ม, มันดาจึงไปถวายไว้เป็นลูกศิษย์พระมหาเถระเอาดอกบัว ไปถวายกับโลกูกเป็นลุกบุญธรรมก็เรียกว้ขั้นใหญ่ลูกภาษาแล้วเสร็จไปเอาไปถวายพระมหาเิละมหาศิละเจ้าก็รับไว้สอนกอขอกอกาตามภาษาไทยมีอักษรทำคัดสอนขอมเมื่อสอนได้แล้ว พัดความบวชสำเร็จแล้วก็บวชให้เป็นเจ้าสเรมะในเจริญกรรมฐานภาวนาปาลิปุณณวิสติปาลิบุญครบยี่สิบแลก็บวชให้เป็นพระท่านเป็นพระแล้วจกโลคามูลาเซนาสนังว่าเจ้ามอมหรือเจ้าขุนหลาม จมลูกลูกข ม, มูลถึงนไม้ถ้าพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์อาศัยตนไม้เป็นที่อยู่ตัดสรุกะป่านิพพานกะปารักษาท่านก่อนรักษาทุตังขวัตชันเข้าวันละหนมีธรรมะเดินจำกรมทำเป็นจำกรมนั่ นะพุทโธนาธรรมโมนาสังโคนะพุทโธอรหังนาธรมโมอรหังนาสังโธรหังได้สามวัตสาในสำเร็จอรหังตานี่ละละักธรรมไม่แวทนอพร้อนอพเนอไม่ตอกออกสาเร็จอรหังตาแล้วเ ป, ป็นที่ยีโรโพชนัง แี่เบนชาบาทเรื่องขันท่ามีอุปปาศกอุปสิกาคนหนึ่งหัวกะรักษาสิห้าเมียกะรักษาสิห้าวันแปดคำ่ำอธิษฐานสินแเดในอครมะไม่เป็นหัวเป็นเมียกันนอกกันธรรมดาอุปปาศกนันไปหาผักคักหลวงคืน ไปเห็นดอกบัวแปดดอกอยู่ในหนองสะระเจงแปวดอกบัวแปดดอกได้ได้เดินมาจึงไปพบพระผู้เป็นเจ้าวินทราบว่าข้าพระเจ้าขอถว า, ายดอกบัวแปดดอกแก่พระพู้เป็นเจ้าตามพุทธทงดอกบัวแปดดอกให้ข้าพระเจ้าบูชาพระพุทธธรรมสงบูชาพระอรหัน ภาพมาลายก็รับเอาแล้วป้าโสภัยเสร็จบ้างพูดต่อทันยายากงทันโมทนาสาธุการเพราะสามีได้ถวายดอกบัวแก่พาพมาลายท่านได้ดอกบัวแล้วท่านก็เข้าซานโดอ้อทีพระพุทธเจ้าคลอดจากอุทธรพรรรดา ก็ได้บูชาแล้วเทีพระพุทธเจ้าสันเข้านางสุสดาก็ได้บูชาแล้วเทพพุทธเจ้าตัดเกสาในแม่น้ำเนินอัสราก็บูชาแล้วเทพพุทธเจ้าข้ามแน่น้ำโพกุธาก็ได้บูชาแล้วเทพพุทธเจ้าไปถึงศิริญประเทศเขตกรุงกุสินรายก็บูชาแล้ว ที่พรุทธเจ้าปองขังมุสาวแล้วที่พูพุทธเจ้าเนตพานมุสาวแล้วยังแต่ธาตุแก่แก่ที่รามันี้เตพระพุทธเจ้าว่าเราทก่เข้าสารพาเลเทตโตโซดามักโซดาผลเป็นสานที่หนึ่งพาเลเทตโต สาเคชาค า, ามักสาคิคคาผลเป็นสารสีสองคาเลศเทีตโตอานาคามักอาาคาผลสีสามคาเลทเทโตัวอรหันตามักอรหันตผลสารสี่สอขอไปป่าเตี้ยฝามือไปอาศัยเช่นแก้วพญายาธิราแทบขม้วปริกระสา ในตาวะติงสาเมื่อไปนั่งอยู่ห้างแล้วให้ญาอินทาธิระตนเป็นใหญ่ในตาวัติงสาเห็นพระมาเลยหมายถึงนั่รเข้ามาถึงพุทธทางวัฏฐานนี้ยมไหวพระพุทธธรรมวันธามนี้ โยมไม่ประสงคังขังาทายโยมไม่ประสงค์พระผู้เป็นเจ้ามาจากที่ไหนถวายพระพรบุษพลาสุาาาตาจักอัตมามาจากหลังกาทวิปสมพูตทวิปเอาดอกบวัวมาบูชาถ้าเกิดแก้วชุลมณีจีเรน เ, น เ, เจ้าโยมจะขอถามเช่นครับ เป็นอรหันต์ไปถือดอกไม้ดอกบัวอย่างคนชาวบ้านใช่ไหมละคนชาวบ้านนี่ต้องมีดอกไม้ดอกบัวข้ า, าพุทธเป็นเจ้าเป็นอรหันต์ะทำไมไปเล่นของบาสระทบุญเจ้าถวายาพระพรดอกพิธละพัะสา อาตามาจะพูดนะเมื่ออาตามาเกิดมาเกิดจากโลกิยะพ่อกับโลกิยะแม่กับโลกิยะเมื่ออาตามาเกิดมาเป็นเด็กน้อยคุณพ่อคุณแม่เอาไปถวายพระมาหาเทระมีดอกบัวเมื่ออาตามาจะบวชเป็นเลสก็มีดอกบัว ท่านนี้จะบวชเป็นพระก็ไม่ดอกบัวเ <c oughs> มื่ไม่ีดอกบัวแล้วเมื่ออาจจะมาบรรลุธรรมเนี่ยขึ้ ป, ปา่าศกน้าเอาดอกบัวมาถวายนี่อาจจะมาจะได้เอาดอกบัวป่าศกมาตั้งจากขาขันห้าไม่ต้องกินข้าวไม่ต้องกินน้ําขันห้า มันจงมีดอกบัวลูกเวทนาสัญญาฉาขันเหมือยางาเป็นโลกิีะใจเป็นอหรหันต์ก็มาพ้นจะกขาตเป็นอหรหันต์แล้วก็ยังกินข้าวอยู่ถวายพระพรถ้าอินทรียแท่พระพูมิเจ้าอาตมาขึ้นมานี่ว่าไพ่เององค์นี้รักลูกสาวเขาไม่เสรอจ เี้เล่ากูเสอเปล่าเปลาเป่าเว้ยขีป๊อกเป่าไรว่าไม่กินเหม็นเล่าตั้ง้ยโอ้ยขอโทษโอมขอโทษเมื่อโอมเป็นนาทีหนึงมาดกญาติพี่น้องเสนอไปเอาลูกเขยไปค้ำเล่า ถ้าไม่ทำกับเขาเขาจะเอาเล่าอาบยอมกวาแสดงมะเกิงๆกเเอาเรามาเดิมกึกกๆเพราะคเลารู้แล้วยอมขายออกถึงปายเ่นสุเปเจ้า อ, อ, อาจจะมาเส่อว่าบอกกินพูดในยู่ตังตังยูทนเป็นักอาลมกสาวคนละทำไมเป็นไยอิสระ โยมช้าเราปัฟังนะก่นนอนโยมนี่นะนานที่งามาดกกรรมของโยม ม, มีมีเมียสีค่คนนางนางสุธ ม, มาสุนัทาอุจลาพากันทำวันทางให้สม บ, บูรณ์วันทางพากันทำเคลื ธร ม, มาะโพสโกเป็นภาษาเก่าเป็นภาษาใหม่ายอำเภอไปท้องต่อข้าหลวงประจบจังหวัดว่าคนพวกม่คิดทำลายแผ่ดินข้าหลวงประจบจังหวัดไม่คิดจะหาเหตุให้สำรวจพุ้ทเป็นมาค่าฟันด้วยดาบคมกล้าก็ไม่ตาย ไหยสร้างแทนพระอันนี้สงสากูแล้สร้างก็แทนได้เมื่อเห็นอย่างนี้จังหวัดให้สร้างเป็นฐานะย้อมเกลาสร้างลากง่้ยสำเร็จแล้วสร้างน้ำบ่อบ่อหนึ่งไปเอาไม้ไผ่ มาทําเป็นตูบสำนักไก่สลาไปเก็บหินมาเป็นเตียงไก่สลาทานั่งใน ป, ปริุทังผู้ฆ่าทั้งหลายในทาทานหน้าโน้นหงทางน้ำบอ่อไปเอาไม้นานาปุ่นนาคมาปลูกไว้เป็นที่ทมอาศัยแต่นางสุสดา ว่านางสุสดาคุณนายสอบขาวตายแล้วอุปรธานขาวมาเป็นนกงางเสือแต่นี้ไปยานม่มีผัวซอกอาหารปลาตายจะกินแล้วโยมก็กลับขึ้นมาอยู่พระสารานางนกงางไม่มีผัวซอกหาปลาตายไม่มีเลยตายอดตายยา ตายจากราดทุกอย่างแล้วมาบ้านเกิดเป็นลูกสาวมอนตีมอร่างกายของคุณนายเต็มไปด้วยชีตกทีเปิกชีโคนเพราะเป็นเนออมียเขาผม้มลงมาว่าคุณนายนายสร้างลูกานางมอนฉันเอาทองคำใส่เท่าลูกฟัก ฟังไว้ที่ดินคุดอาหม้อนะเมื่อได้คำแล้วยาวออกสีเดียวคนไปฟอกรัฐบาลเขาจะยึดเอาเป็นของหลวงคำก็เอาออกทีน้อยหม้อก็ขายคำคำก็ขายเมื่อได้คำแล้วทำชลาหลังหนึ่งคุด น, น้ำบอ่อแปดข้ามเส้นผ้าคำ ให้ทานอาหารหวานอาหารขา้าวอาหารคนเฒ่าคนแก่นางสาวน้อยแต่ชิบสี่ิบห้าปีไปจนถึง1ิบแปดชิบเก้าบ่าวน้อยสำทานทเสดจนมืดทองคำยาคีทีและโยมกับไพวาล น, นางลูกสาวช่างม่อนที่ทับทานอย่างยางว่า อายุแปดเซปแตกจากขันมนุษย์เอาวิญญาณมาเกิดเป็นลูกนักเปรซาชาโตวากุมพันโดวากุมพันเดวัญโควาญัคคโนวามาเกิดแล้วไม่ใช่นักพ่อเป็นนักแม่เป็นนักตัวอย่างชาวไทยครับ พ่อดำแม่ดำลูกเพือกนี่ละเมื่อมาเป็นลูกสาวนักแล้วอายุสิหกปีพญาอินสวนประกาศถึงักกุมพันโดวาเนี่ยักแปดหมื่นสี่พันตัวจงเข้ามาในปราสาทพระราชวังของเราเราจะเสียงหาลูกเขยเสียงดังขึ้นไปในอากาศ พร้อมกัอเมียของเราถ้าเกตลย์เงเจงได้ลงมาอาชีพช้างเอไทหายกายเป็นนักเกตอายุแปดสิบเก้าเข้าไปตามหมู่นักนักทั้งหลายเขาก็ถามว่าไอ้เบาโน้ยอายุงเท่าไรอายุของไอ่เบาโน้ยแปดสิบเก้าเยเข้าจะตายวนส หัวไอ้กับบัานกับเมืองเลอเท่าหัวเขาเฮ้ยอย่าไปไ่ว้จังงั้นพระเจ้าทผ่ดินประกาศไม่มาไม่ได้ขอขาดตายพระเจ้าทผ่นดินต้องการเจ้าเพชรถอยได้ถ้าไม่มาเพชรกดถูกเคยนถูกฆ่าให้บาจิงมาง้าง ซุสดาเสียงพ้องอะไรดอกไม้ไปที่หนึ่งก็ไปซับซุกหัวหน้าแก่ที่สองซุกหัวหน้าแก่ที่สซุกหัวแก่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยพระเจ้าข้าโลกเคยมหาราชเจ้าจะตายวันนี้ควรเตียนไหมพระเจ้าทผ่นนจะเปี่ย เข้าไปให้บาวน้อยเอ้ยไม่จงไปแล้วเ่เข้าแจ้าใจก็จริงควายเขามันชอบหญ้าอ่อนเข้าหัวดอนมันชอบเนี้สาวได้เมื้หนุ่มส้มของหัวใจแม้ในแก้มอันี้นกเขาก็ว่าเขากระสัง ย้อมกับอธิษฐาตเพชยนักหายกายเพลินอุนอบเอานักศึกษาหอกไปหน้ากาศคันงจาพอว่าขั้นเทวาหมูยักไมนพอใจเยิงเปินไฟขึ้นไปตามหินเพชรประสันตกลงมามนุษย์เอาฝ้าผากวานฝ้าผา่าขาั้นฝ้าผ่าเอาน้ำเหล้าดับมันหายพาควายเอาน้ำเหล้าใสพาให้น้ำสใส ที่งักมากีา่รอบนี่ละ่ะพ่อเป็นเมียของผมครับเมื่อแล้วบทสนามเทไ้โสเทบุทโตมีเทบุโตนึ่งมีปริบารร้อยหนึ่งมาไว้ธาตุแก้แกุลมันดีสักโกเวาาทวลาซาเทบุโตนี้เขาอยู่สมภูทวานเขาทำาปุญยัอ๋อ เดินลูกกลับมาคนทุกเกี่ยวหน้า ง, งัวเกี่ยวหน้าควายหน้ามาขายในความ น, นึกเท่ยบุตรองค์นี้มีข้าวพรไม่เกี่ยวหน้ากาสอมแม่ลูกกล้าไปเชียบุตรองค์นี้เอ า, อาข้าวโยนให้แก่กาแม่กาคาบไ ป, ปแล้วลูกกาซอบหวัวลูกเพราะความอยู่ เทพบุตรกโยนเข้าให้แ ก, กแ่กาแม่กากินอิ่มแล้วแก้แก้แก้แกลูกกากลับมาอันนี้ละคันจะตายและเลิกถึงทานเข้าแกกาจึงเอาวิญญามาเกิดเป็นเทพบุตรนีพพนนนนโโ่พระพุทธเจ้านั่งอยู่วัฒนานั่ใดโสภพทิสะโตพระพุทธเจ้าเมตตไตหน่อพุทธกุล อันนี้รักเอาได้มันางแรกทานางฝ้านางสวรรค์มาหลายล้านหลายแสนเสีสรรมานนะอย่างแก้วอย่างทองหลายหลายล้านนั่นคือใครล่ะนั่นละพระเตไตเมื่อมารเซงแล้วขอท่านพระคุณจงถามมาเถิดพระญาอิทัศน์รักออกไปอยู่ประสาท โสภูทิโสพระเมตไงเงี้ยพูเต็มกระโดยบารามี20อเซฟงขายเศษหากับมาถึงแล้วไปไว้ทาสแก้แก้จุลมณีเจดีย์พระเจ้าสำเร็จจึงเข้าม า, าพระผู้เป็นเจ้ามาจากไหนสวายพระพรบ อ, รบอรพิษพระลักษมณ์ อาตมามาจากสุโขทัยหลังกาศรีเป็นลูก <elekt> ช <french> ิดเจ้าโคตมะอและจึงมาถึงอาตมาจะขอถามนี่ลกพระเมตไกรยอมนี่ละพระพุทธเจ้าเมื่อไรจึงจะลงไปช่วยศาสนาจากโคตมะถ้าควรจะไว เมตศาธานาระเจ้าโคตมะสูญยากับไม่มีพุทธศาสนามิตรสัตว์มนุษย์ฆ้าพันปีไปแล้วนะมนุษย์ขอโทษไม่รู้จักแม่ไม่รู้จักพ่อพี่เอ้ยเอากับน้องก็นมิน้องเอาพี่เอ้ยมปขอโทษอย่างงัวอย่างควายอย่างแพ เบื่อกายกันมี บ, บ่เบื่อกายกันมีขายกามกันตมีอย่างพระเดชะศาสารเกิดลรกมาอันนี้สัตตายเกิดฆ่ากันฟันกันแย่งกามกันเจ้าพันฆ่าปัญญาเท่าปัญญาลบกันบาดลบกันเลือดไหลในแผ่นดินแล้วคนที่กลัวตายยิงก็มีสายเลยนี้อตอยู่ในป่า พวกกรรมสันเอากันอย่างมัวอย่างควายเกิดฆ่ากันมัดเลือดเน่าไหลไปในพื้นแผ่นดินแสงพระเทพดูดมัดฝนแค่ตกอกกมาตั้งกับหม่คนชื่อบมเสศินตายมาแล้วยังมีสายมีเทปไปอยู่ ป, ป, ป่าเย็นแล้วออกมามาถามมาท่านอยู่ไหนอยู่ที่นั่นเดือนนี้เมตตาเช่นกันนะครับ เดินมาเสพโคกันเดิดโลกมาอายุสามสิบปีจึงตายโลกสามสิบปีเสพเพือหกิปีจึงตายโลกหกสิบปีห้ารอปีจึงตายโลกห้ารอปีพันปีจึงตายโลก0ันปีสองพันปีสวีขึ้น8 4ด0มื่นสี่พันปี นามที่สุดนิสิงแม่ยิงใบหน้าอย่างเดือนได้หาคำปุณสินเหมือนกันสีหลังแก้วมันสดไม่มีสีดำตาบอดหมูหนวกปากแหลงเคโทษเค้กะเค้กเขียนเ้เฮี้ยนไหนนีโลปาปลามมบังลกสิต ได้แปดหมื่นสี่พันปีแล้วมาโจรนากันล่ะคนเราน่ะนี่ตายหรือเอ่าได้แปดหมื่นปีล่ะไม่ตายว่าฆ่าว่าตายเนยบอกไฟเมื่อจดขึ้นไปในอากาศแล้วถ้าเม็ดดินย่ำตกลงคนเราเนี่มันเมอดอายุจุสายบ้านคนก็ไม่ใช่เสียงมะกนาะ อายุมนุษย์ย้อนมา 40,000 ปีเมื่อไรย้อนจะลงไปอายุทั้ง 40,000 ปีนะย้อนจึงจะลงไปช่วยศาสนาตายขึ้นพรจ้าแปดหมืนตายย่อลงมา 40,000 ปีย้อนจึงจะลงไปเกิดเมืองเจตตนนครจ้าเมืองอะไรไม่รู้ได้เกิดแล้วเป็นพระเจ้าจักรพรรดิสองหมื่นปี ตึงอายุเล้วออกบวชเจ็ดวันได้เป็นอรหันต์นี่ละพระคุณเจ้าถ้าผู้ใดจะเห็นหน้าพระเมตไตรเนืงจงฟังธรรมเวทชนตราให้แล้วเมื่อหนึวันเดียวจะเห็นหน้าโยมแล้วคนไม่เห็นหน้าโยมนั่นฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพ่อเท่าฆ่าแม่เท่าไม่เห็นหน้าโยมแล้ว สังฆเพศยุ่งแย่ให้สงเพศกันไปเห็นนั่นอยู่แล้วบลลปราเภศยุ่งแย่ให้มนุษย์ฆ่ากันไปเห็นนา่นอยู่แล้วทำลายลอยพุทธบาททับพุทธเจ้าก็ไปเห็นนา่นอยู่แล้วทำลายไมโพธิเทศพุทธเจ้าดัชนกไปเห็นนั่นอยู่แล้วเทศทานโยคีกาสร้างลอยพุทธบาทเป็นพุทธบูชา เอาไม่ไปปลูกไปทำลายก็ไม่เห็นนิยมแล้เนี่ยฆ่าคนในยุทธในยนไม่เห็นนิยมเห็นควายฆ่าควายเห็นคนฆ่าคนไม่เห็นนิยมลักนักเท็กหนักเขือนลักนกลักไก่ไม่เห็นนิยมปลาพึ่เป็นในกามเสีบกามเสียังูเสียบควายเสีบเบี้ยบ็ไมนนิยมสับปลาลิ้ข้ปดทะเลนี่อย่าไปเห็นกินเล่าไม่เห็นนิยม พวกนี้เมื่อนิยมไปเกิดเขาอยู่เอาวีจีนะพระคุณเจ้านะ บ, บเน่เห็นดบบเหตุนัานพระคุณเจ้าจงเอาธรรมนี้ไปประกาศในที่งคุณได้ไตให้ึงอท่านอยาเข็นน่ายอมฟังธรรมเบญสสระให้แล้วเมื่อหนึ่งเดียวให้ทากันทัท น, ทนการกุศลใชบาทอยาด น, นำ้ำเมื่อยังงนมเลี้ยงลูก เลียงหลานถ้าลูกตั้งตัวหลานตัตัตวโกสินไปดำดาจงฉละออกบวชกายกับใจกายในอะย่างใจงไงนุ่งผ้าขาวแปดคำ่ำผ้าขาวเสืขาวนอกกหน่ากะอยู่ข้างหลงหลานให้บวชใจบวชใจยังไม่ไาพระคุณเจ้ากายไม่ขาด กายก่อกายเป็นสินใจก่อเป็นสินกาญะกายไม่หลับทัพย์กายก็อกายเป็นใจสินกายะออกบวชไม่มีฝัวเมียกายก็อกายเป็นใจสินกายากายไม่ขีปดกายเป็นสินใจเป็นสินกายากายไม่กินเหล้าใจคือกายสินย่อเข้า เจตหมายขาสัตย์เจตเป็นเส้นเป็นสายเจตกับเป็นนิพพานจะหัวใจเจตหม่ยรักทรัพย์เจตเป็นสิ้นเป็นสายเจตกับเป็นนิพานอย่างหัวใจเจตออกบวชขาดทั่วขาดเนือเจตเป็นเส้นเป็นสายสิ็นนิพพานเจตไม่เคปอดทอลยศจอมของเจตเป็นเส้นเป็นสายเจตกับเป็นนิพพานเจตไม่กินเหล้า จิตไม่เดาหิจิตเป็นสิ่งรานใครธรรมภาวนาโพธโทอลลัธรมโมอัลหันสังโฆหันวันพธเทวะโพธโทอัลันโพธโทอัลลันโพธโทอลลันสองครั้งธรมโมอัหันธมโมอหัรสังโฆหั ให้พระผู้เป็นเจ้าไปประกาศศาสนาคาถาพรงมะเลยบอกไว้ถ้าผู้ใดได้แล้วขอให้ภาวนาอันนี้เถิดถ้าไว้ไว้แก่เจ้าคุณสมเด็จเสกกร ะ, ะธรรฆมหาสังฆ ค, คุณตาคุณยายพวกเราถึงฟุตอันนี้หลักฟุตพวกยังเอาบวได้กับเป็นธรรมดาถ้าอาจารย์ตื้ออาจารย์ละสมุ อธิบา ย, บญญา อ, ย, ายอะไรเนี่ยสูตรยามย่อขอปฏิวัติจุติหนาขาวบริวารผูลาปริผู้เนิสักลังเอวเมลจังเตตันังุปกปะปติตังตุยข้างคิดประเมธนตูสับเพื่ผู้เนตูสังกป่าจันโทโปนนราโซยัดท้ามันใโซตีราโซนท่าสับพี่ติโยวิวัดสันตุพาลโควินาสตุมาเต พวัตัวนตารายโยสุขิธิคาโยโกโภาอภิวัฒนชีติเจมคาปจาริโรจตารโอธระอัญมณโดสดุขังพลังอัญมวโดสดุขังพลังอัญมณโดสดุขังพลังสวัสดีแล้วย่อเนอมันใหญ่กว่าของไอ้กุศเเทมผัวกุศไปเป็นเมยียสายโจรคนน่ะ อยู่สองสามวันมีชายจุกอักลุ่อาบน่าเห็นรักหนีไปเอาคนที่เป็นผัวไม่แห้งง่า่ของของกระนั่งอันนี้ตามไปมึงรักมือต้อยหัวกันอันนี้ก็ได้เมียกูกเมียมึงซาดกันคููเดียวกันใส่มัวให้กันเท่ากันดบ มันเท่ากันป้้มกันคมก็เท่ากันเอ๊ะยั่งก่อนเนาะเรียนเมี้ยโอ้ยคู่เดียวกันคู่เดียวกันขนาดมวยกับคู่เดียวกันดับคู่เดียวหรอเลิกเลิกเลิกเราจะเอามันมนสั่นนี่แต่เก่ามันเป็นเมียพระเจ้าแผ่นดินไปอยู่ในป่ามันซกพระเจ้าแผ่นดินลงเหิวมันเอาฝัวกุด เอาพวกุศลแล้วท่นไล่่านี่มาอยู่ที่นั่นมาเอากับผมมันก็เท่มเต้าสร้าายาวๆนี่ล่ะโราณจังหวะยิงสี่ผัว5้าผัวหนึ่งพระเจ้าพระดินสองไอ้กุด3สามได้สี่สี่ผัวมตอเอา่คนเ่เาเราจะเอา เลิกเถิดเขาก็ไม่เอามันก็ห น, น, นีตามผัวใหม่ดากุตัดหัวคุไม่เอามึงหนีตามหัวเก่าดาตัดหัวเบาเขาเลยหนี